บทที่155หเหตุผลตามคำพูดของพรานใหญ่ประการหนึ่งและความเชื่อมือว่าไม่มีใครสามารถยังรู้เท่าทันเล่กนของแงสายได้เหนือไปกว่าเขาผู้เคยชินสรนทัตจยานกรมันมาแล้วเป็นอย่างดีอีกประการหนึ่งทำให้ทั้งสามไม่อาจคัดง้างหรือมองข้ามไปเสียได้เต่ากระตะเข้รู้ทันเลขกันเสมอ นักมนุษยวิทยาเลือดราชสกุลพึมพำออกมาเหมือนจะกล่าวกับตนเองแล้วถอนใจเฮือกเอาล่ะอื่นใดก็ไม่สำคัญหรอกนายพรานว่าแต่คุณนะบอกให้พวกเราสบายใจไปได้สักคั้นหนึ่งได้ไหมว่าพี่ใหญ่แงซายปลอดภัยจัดย่านอันตรายนี่ออกไปแน่นอนแล้วถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับตามที่บอกมาแล้วเนี่ย ปานนี้ไอตัวดีของคุณหญิงก็พาคุณชายไปไกลลิฟจากที่นี่แล้วโดยไม่แพ้วพานกับกลิ่นมฤตยูที่ผมโดนมาแล้วนั่นลนะก็นับว่าเป็นโชคดีของคุณชายแล้วมันด้วยจอมพานพูดพลางขยี้ปลายจมูกแรงๆถอนฉิวชายันกรรมาเรียพรอยโล่งอกยิ้มกันออกมาได้ฉันทายล่วงหน้าไว้ก็ไม่ผิดไม่ใช่เหรอใครวันว่าถึงยังไงแงสายก็เอาตัวรอดได้เสมอถ้าไม่ใช่เพราะความสามารถโดยตรง โดยดวงชะตาประจำชีพของเขาซึ่งมักจะมีปาฏิหาริ์เข้าช่วยอยู่เสมอทีนี้เมื่อรู้ชัดกันอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปละ่ะการเดินทางของเราจะเริ่มต้นที่นี่ครับเพื่อติดตามคุณชายไปให้เร็วที่สุดแต่ไหนๆเราก็มาถึงที่นี่กันแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเดินย้อนกลับไปยังที่พักอีกเอาเป็นว่าเราสี่คนรอกันอยู่ที่นี่ก่อน ผมใจขยินย้อนกลับไปบอกพวกที่เหลือทางโน้นทุกคนให้มาสมทบที่นี่พวกนั้นมาถึงเมื่อไรเราก็ออกเดินทางทันทีครับรบพินบอกและโดยไม่จำเป็นจะต้องขอความเห็นใดๆจากใครอีกทั้งสิ้นเขาก็เรียกขยินเข้ามาสั่งความอย่างรีบด่วนสองสามประโยคขยินพยักหน้าอย่างเข้าใจจกะแจงวางหีบเวชภัณฑ์ที่สะพายติดหลังมาด้วยลงกองไว้และตัวเองซึ่งมีแต่ตัวเ ป, ปล่า นอกจากปืนประจำมือก็ออกข้อแนบพระไปด้วยเร็วแม้จะฟังไม่รู้เรื่องว่าจอมพรานสั่งเช่นไรกับคนของเขาแต่ฝ่ายนายจ้างทั้งสารก็เข้าใจได้ดีนี่ผู้กองกูแน่ใจนะว่าขยิงจะไม่หลงดารินผู้ห่วงกังวลไปซะทุกสิ่งอดไม่ได้ที่จะแสดงความรู้สึกนั้นออกมารับรองได้ครับไม่มีวันหลงอย่างเด็ดขาดระยะทางเพียงแค่นี้เองแล้วก็เป็นเวลากลางวันด้วย เขาบอกหางเสียงขุ่นคุนแล้วคว้าแขนน้องสาวของนายจ้างรังไว้เมื่อหล่อนธรราการเหมือนจะหย่อนตัวลงนั่งพักกล่าวต่อมาด้วยสีหน้าบูดบูดว่าอย่าเพิ่งครับอย่านั่งพักตรงนี้ไม่ได้ระหว่างที่เรารอคอยการมาสมทบของพวกนั้นเราจะต้องหาที่พักรอให้แน่ใจที่สุดว่าปลอดภัยไม่มีอะไรมาเป็นหลักประกันนะครับว่าทางลมจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ขณะนี้น่ะเราอยู่ใกล้วดวงว้านพิษ ห่างไม่เกินสี่ห้ารอยเมตรเท่านั้นถ้าหากขวนกลับมาบูบเดียวเท่านั้นจะหมอบกันทั้งหมดลงไปราที่ปลายเนินข้างล่างนั่นปลอดภัยกว่าครับด่าริมยิ้มเจื่อนเจืน่นกำลังอยากจะหาที่พักขาเพราะแสนเหนื่อยแสนเพลียก็เลยต้องแข็งใจต่อไปประวัติผวาในสิ่งที่พรานใหญ่บอกทั้งหมดพากันย้อนกลับลงมายังกลายเนินอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจที่สุดว่าอยู่เหนือทางลม ของดงว่านพิษนั้นหุดหงิดมากนักเหรอระพิน หล่อนกระซิบถามเขาขณะที่เดินลงมาด้วยกันน้ำเสียงอาทรลูกจ้างผู้ยอมรับใช้ตามสัญญาจ้างด้วยชีวิตชำเลืองมองหน้าเริ่มจะรู้สึกตัวฝืนยิ้มให้ปรดอภัยให้ผมเถอะครับถ้าหากพูดหรืสแสลงอะไรที่ไม่สมควรออกไปเงาทายทำผมพื้นเสียทุกทีทั้งทั้งที่ปฏิญาณไว้กับตัวเองตลอดเวลาแล้วว่าจะไม่สนไม่ถือสามัน อย่างน้อยที่สุดคุณไม่ดีใจเลย น, นึกนุ่งโลกโอกหรอกเหรอที่เงซายนําพี่ใหญ่เอาตัวรอดไปได้จากสิ่งที่เรากลัวกันนั่นนนมัเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับคุณหญิงผมดีใจที่มันเอาคุณชายพ้นอันตรายที่เราเกรงกันไปได้แต่ที่ถูกนะมันควรจะเอาคุณชายย้อนกลับไปยังที่พักของเราทุกคนก่อนไม่ใช่เหรอครับไม่ควรจะนําบุกบั่นเดินทางไปข้างหน้าโดยพลาการตามลําพังอย่างนี้ ยิงอยู่ถึงยังไงพวกเราก็ต้องตามไปพบอยู่แล้วแต่อะไรจะมาเป็นหลักประกันในความปลอดภัยของคุณชายได้ละ่ะในระหว่างที่มันบุกเดี่ยวไปตามลพาพังแบบนี้ <c oughs> เพราะคุณรู้ทันในลูกไม้ที่จะย่นเวลาเดินไปรอคอยอยู่ข้างหน้าก่อนของแง่ทรายคุณก็เลยเดือดดาลใช่ไหมถ้าไม่รู้ซะอย่างเดียวคุณก็จะไม่ฉุนอย่างน้อยเขาก็ยังอุตส่าห์ทาเครื่องหมายบอกไว้คุณรู้ไม่ใช่เลยว่าเขาขอเดินล่วงหน้าไปก่อน ระพินหัวเราะแค่นแนก็ทามันไม่ทำสัญญาณบอกไว้โทษของมันน่ะถึงขั้นฝังทั้งเตนเลยทีเดียวเพราะผมจะรู้ได้ยังไงว่ามันเอาคุณชายไปไหนคงเข้าใจผิดคิ ด, คดว่ามันหลงเลิดเปิดเปิงผิดทิศผิดทางไปไหนซะแล้วแล้วคงจะต้องตามกันแย่โดยไม่รู้เป้าหมายการทำสัญญาณทิ้งแว่ห็นเป็นความฉลาดแกมโกงของมันที่จะบังคับทางอ้อมให้พวกเราทั้งหมดเดินตามไปนั่น มันก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าเราจะไม่รู้และไม่ตามไปนี่ก็เพราะมันเอาคุณชายไปกับมันด้วยผมถึงต้องร้อนใจรีบตามมันไปอย่างนี้ลําพังถ้ามันแยกเดี่ยวไปคนเดียวผมจะแกล้งทิ้งหรือเปลี่ยนเส้นทางซะดูแล้รอดเอาสเข็ดให้มันเป็นฝ่ายวิ่งตามหาพวกเราบ้างผมรู้ว่าถึงยังไงยังไงแงสายก็ไม่กล้าแยกทางกับพวกเรารอกทั้งสามคนเดินลงมาถึงปลายเนิน และนั่งพักรอพักพวกทุกคนที่ขยินไปตามอยู่ที่นั่นต่างอยู่ในภาวะสะบักสะบอมและอิดโอยเต็มทีเพราะไม่ได้พักผ่อนมาตลอดทั้งคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรานใหญ่แต่เหตุการณ์อันฉุกเฉินทำให้ต้องฝืนทนนำพลังงานส่วนพิเศษของร่างกายออกมาใช้คุณคิดยังไงผู้กองในเมื่อความจริงที่หมายช่องประตูผานี่ก็ห่างจากที่พักของเราเมื่อคืนนี้ไม่มากนะัก แทบจะเรียกว่าแค่ปากจะหมูกเท่านั้นแล้วทาไมแง่สายกระเชิฐาจึงมาพบที่นี่เอาในเวลาใกล้รุ่งทั้งๆ ท, ที่เขาก็ออกจากที่พักไปตั้งแต่พลบค่าก็คงจะเสียเวลาง ม, มควานหาอยู่นั่นแหละครับเพราะแง่สายเองก็คงไม่รู้ที่หมายแน่นอนมาก่อนผมสันนิษฐานว่าทั้งสองคนคงมาพบร่องรอยของผมเข้าในเที่ยวขากลับนี่เองสังเกตดูจากรอยที่วกย้อนใกล้ที่พักเข้ามา ถ้าไม่พบรอยของผมและไม่พบช่องประตูผาทั้งสองคนก็อาจกลับไปที่แทมแล้วล่ะนี่ระพินตอนที่คุณแยกจากพวกเราเมื่อบ่ายวันนี้เนี่ยเราถามแง่าสายว่ามีความจำเป็นยังไงที่คุณจะต้องค้นหาที่หมายประตูผาอันเป็นหินสูงฉลุดสองก้อนนี้ให้ได้ซะก่อนที่จะมุ่งเข้าหลุมมุกาบาทที่หนึ่งแง่าสายบอกกับพวกเราว่าในลายแทงนะ่ะระบุประตูผาไว้เป็นหลัก ในการตั้งทิศคือให้เดินเป็นเส้นตรงมุ่งตะวันตกเฉียงเหนือใช้เวลาเดินประมาณห้าหกชั่วโมงก็จะถึงหลุกมกาบาทคุณเองไม่ได้บอกเราไว้ละเอียดนักในเรื่องนี้จึงอยากจะถามว่ามันเป็นความจริงตามที่แง่ายบอกเราไว้นี่หรือเปล่าพรันใหญ่หันมามองหน้าชา ย, ยันแล้วรับว่าเป็นความจริงครับลายแทงกาหนดไว้อย่างนั้นจริงผมจึงมีความจาเป็นที่จะต้องค้นหาประตูผาให้ได้ซะก่อน ไม่งั้นก็ไม่รู้จะตัดทางไปหลุมมุกาบาทหลุมแรกได้ยังไงแงไยเขียนลูกสอนลงกับพื้นดินชี้ทางบอกให้กับเราก็แปลอยู่แล้วว่ามันจะไปรอเราอยู่ที่หลุมมุกาบาทนั่นอันที่จริงนะผมก็วางเส้นทางเดินของพวกเราทั้งสองฝ่ายได้อย่างถูกต้องแม่นยำดีที่สุดแล้วถ้าไม่บังเอิญสลบไปเพราะกลิ่นดอกว่านพิษนั่นสะกก่อนเมื่อเย็นวานนี้ผมก็ได้มาถึงที่หมายช่องประตูผานี่ อันเป็นเวลาเดียวกันกับที่พวกคุณทุกคนก็ได้มาถึงตรงตำแหน่งที่หยุดพักพอดีระยะทางมันไม่ห่างกันเลยผมใช้เวลาอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงภายหลังที่ได้พบช่องประตูผาแล้วเดินย้อนไปยังตำแหน่งที่พักพวกเราทั้งหมดก็พบและรู้เรื่องกันโดยตลอดเมื่อตอนเย็นวานนี้เองซึ่งมันก็ไม่ผิดเวลาอะไรออกไปมากนะักแต่บัตวเหตุที่เกิดขึ้นสิครับที่ทาให้คลาดเวลาแล้วก็อนละเวงกันไปหมด เงาซายเคยบอกคุณไว้ต่อหน้าพวกเราทุกคนไม่ใช่เหรอว่าเขาอ่านภาษาพาม่าโบราณออกแล้วอ่านลายแทงต้นฉบับของคนตายเมื่อ400ปีก่อนนี้ได้ซึ่งบางข้อความเขายังได้บอกไว้ด้วยว่าล่ามของคุณนแปลถ่ายทอดไว้ตกหลน่นโดยไม่ได้ถอดความออกมาครบหมดทุกข้อความนักผู้เอ่ยขึ้นเบาๆคือมาเรียแม้จะเป็นคาพูดด้วยเสียงเรียบๆแต่ก็มีอะไรบางอย่างสะ ก, กิดขึ้นมา ในความรู้สึกของรพิงอย่างพิกลุลเขาหันขวับไปประสานตาสีดอกผักตบคู่นั้นโดยเร็วใช่มันอมความลับนี่ไว้นานทีเดียวจนกระทั่งเห็นแน่ว่าผมจะเข้าใจควายเขวไปจึงยอมบอกให้ว่าแต่มีอะไรเหรอเมที่คุณพูดเช่นนี้มันเป็นแต่เพียงความคิดที่แวบขึ้นมาเท่านั้นนะแม่มสาวกล่าวอย่างระมัดระวงังมองหน้าเขายิ้ม แต่ฉันอาจจะเข้าใจผิดไปก็ได้เอาเป็นว่าผ่านสิ่งที่ฉันพูดไปถึงนี่ซะก่อนเถอะเรามาลองพิจารณากันถึงข้อที่ว่าทาไมแงาซายจึงสามารถนําพี่ใหญ่เข้ามาจนถึงที่หมายช่องประตูผานี้ได้โดยปลอดภยัยในขณะที่คุณเป็นฝ่ายเข้ามาก่อนแล้วยังโดนกลิ่นมันซะย่ำแย่ถึงกับสลบไปครึ่งคืนแงาซทรายกับพี่ใหญ่กลับปลอดภัยไปได้ มันเกิดขึ้นเพราะความฟลุกโชคดีของทั้งสองคนนั่นแหละ ร, รพินดารินและชายันชฉนนอย่างแรงในคำพูดของมาเรียต่างชันตัวขึ้นในทันทีนั้นไหนผู้ได้ชัดเจนกว่านี้สิเมไดอเข้าใจยังไงให้ฉันถามอะไรไพวันก่อนดีกว่ามาเรียว่าและมองไปทางจอมพรานในลายแทงน่ะ เขาบอกเส้นทางหรือรายละเอียดไ ว, ไว้ว่ายังไงก่อนที่จะเข้าถึงช่องประตูผาเท่าที่คุณรู้หรือว่าเข้าใจไว้ก่อนแล้วจากต้นฉบับคำแปลกระพินซอยเปลือกตาทีๆอย่างมึนงงอึ้งไปครู่หนึ่งเท่าที่ผมจำได้ก็ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนมากนักรายแทงจะบอกทิศทางโดยเริ่มต้นจากแอ่งกระเวกที่เราค้นพบแห่งแรกให้มงตะวันออกเฉียงเหนือโดยตลอด และบอกว่าช่องประตูผาเป็นหินสูงใหญ่เรียงชลูดสองก้อนยืนอยู่เคียงกันในบริเวณป่าหินเล็กๆในวงล้อมของเนินเขาหญ้ารอบด้านก่อนจะถึงป่าหินดังกล่าวนี้จะต้องไต่ที่ราบสูงกว้างใหญ่ขึ้นมาก่อนเท่านั้นเองเหรอครับเท่านั้นไม่ได้บอกถึงรายละเอียดของภูมิประเทศใกล้เคียงกับป่าหินนี้ด้วยหรอกเลยก็ไม่ได้บอกอะไรไว้นี่ครับ ถ้าเช่นนั้นยิ้มของมาเรียกว้างออกไปอีกจะเป็นไปได้ไหมในกรณีที่ต้นฉบับคำแปลของคุณนํามันไม่ละเอียดพอแต่ในรายแทงตัวจริงบอกไว้ละเอียดกว่านั้นโดยอาจจะบอกไว้ด้วยว่าป่าหินที่หมายนี่ติดต่อกะดงว่านพิษซึ่งมีเกสรกลิ่นพิษอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ทุกชนิดให้ใครก็ตามที่จะมุ่งเข้าหาป่าหินนี้ จงเลือกดูทิศทางลมซะก่อนจะได้เข้าไปใต้ทางลมไปนั่นขาดคุณอ่านลายแทงต้นฉบับไม่ออกและไม่รู้ความลับที่ลายแทงระบุไว้เช่นนั้นคุณก็เลยเกือบจอดไปส่วนแง่ซ้ายนะ่แล้วหล่อนหัวเราะจะต้องให้ฉันอธิบายอะไรมากความไปอีกไหมขณะที่เปิดลายแทงดูแง่ซ้ายก็เห็นลายแทงต้นฉบับอยู่ด้วยไม่ใช่เหรอระพินไพรวันนั่งอ้าปากค้าง เขาเข้าใจความหมายที่มาเรียพูดโดยตลอดดารินกันชา ย, ยันก็เช่นเดียวกันสงสัยสะละผู้ก่องชั ย, ยันร้องออกมาดังๆแงซา ย, ายหินจะต้องรู้ความในที่ระบุอยู่ในลายแทงอย่างเมว่านี่แน่ๆทีเดียวมันถึงเอาเชตถาผ่านบริเวณนี้มาได้อย่างปลอดภัยผู้ง่ายๆก็คือมันรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าจะต้องระวังยังไงมั่ง ส่วนคุณน่ะไม่รู้มาก่อนเลยเจอะเขาให้เต็มที่เลยจอมพรานบัตรนี้พูดอะไรไม่ออกได้แต่กรอกหน้าดารินเองก็หน้าเครียดลงในทันทีนั้นเดี๋ยวระพินตลอดเวลาระยะหลังๆนี่ฉันเห็นคุณปรึกษาหารือกังแงสายเสมอในแผนการเดินทางรวมทั้งศึกษาลายแทงและร่วมตีความอยู่ด้วยกัน แง่ทายไม่ได้แพร่งพรายให้คุณรู้ในสิ่งที่เมตั้งข้อสงสัยนี่บ้างเลยเลย ร, ระพินดึงผ้าขนหนูที่พันคอขึ้นมาซับหน้ายอมสารภาพกับตนเองว่าสมองของเขามันตื้อไปหมดอันไหวพริบ ป, ปัญญาและเล่เหลี่ยมของเจ้าคนที่ชื่อแง่ายนั้นแม้เขาจะรู้เส้นเห็นเชิงกันมาดีอยู่แล้วรวมทั้งคอยจับอยู่ตลอดเวลา ชนิดที่ไม่ได้มองข้ามหรือประมาทเลยแม้แต่น้อยบางขนาดก็ยังไม่อาจตามมันได้ทันต้องใช้พลังสมองสติปัญญาของพักพวกอีกหลายหลายคนช่วยกันจักจนกระทั่งได้ข่าวรำไรขึ้นมาตามข้อคิดของมาเรียมันน่าจะเป็นจริงอย่างที่แมมสาวว่าจะละโดยเขาเองคาดไม่ถึงข้อความในลายแทงต้นฉบับ จะมีบอกววาอย่างที่เมว่านี่หรือเปล่าผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคุณหญิงแต่ที่แน่ๆก็คือแงาทรายไม่เคยบอกผมในเรื่องนี้เลยล่ะครับอ่ะสมมตินะสมมติว่ามีบอกไว้ในลายแทงและแงาทรายก็อ่านออกมันจะเป็นไปได้เหรอที่แงาทรายแกล้งนิ่งเฉยไวปล่อยให้คุณสาะสแสวงหาที่หมายเข้าไปโดยไม่รู้ตัวจากอันตรายซึ่งก็เท่ากับแกล้งปล่อยให้คุณตายชัดๆน่ะ คราใหญ่นี่เพราะตัดสินใจยังไงไม่ถูกแต่มาเรีย์ย้อนถามดารินว่าแปล ว, ว่าเธอไม่ยอมเชื่อลละว่าแง่ายจะต้องรู้เรื่องว่านพิษจากลายแทงล่วงหน้ามาก่อนแล้วถึงได้พาพี่ใหญ่เดินผ่านโดยปลอดภัยไปได้ฉันเพียงแต่อยากถามพวกเราทุกคนให้ช่วยกันค้นคำตอบให้ได้ว่าหากแง่ายรู้ทําไมถึงไม่บอกระพินไว้ก็เจตนาจะฆ่าระพินอย่างนั้นเห มาเรียสันสีสักก็ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกน้อยถึงฉันเองก็ไม่เชื่อว่าแง่สายจะมีแผนการร้ายถึงเพียงนั้นก็าอาจจะแค่ลองดีพรานใหญ่ของเราก็ได้เดี๋ยวคอยดูเงียบๆว่าไครวันจะมีปัญญาตัวรอดได้หรือไม่ถึงได้แกล้งเฉยใช่ก็แล้วถ้ารพินพลาดท่าสีชีวิตลงละ่ะก็ใครจะมารับรองได้เหล่าน้อย ว่าแงซายเจ้าคนลึกลับที่สุดของเราคนนั้นจะไม่ออมความลับอะไรไว้อีกเขาอาจมีวิธีหรือช่วยเหลือไพรวันได้ภายหลังก็ได้ซึ่งเขาจะต้องมีความมั่นใจแน่นอนว่ายังไงซะไพรวันก็ต้องไม่ตายอย่างมากก็แค่คางเหลืองแล้วเขาก็ค่อยช่วยทีหลังมันเป็นเรื่องของการลองมือกันอะอย่างที่ฉันบอกไว้ไงเธอก็ดีชายันก็ดีหรือแม้แต่ตัวไพรวันเองก็ตาม รู้กันดีอยู่ทุกคนแล้วว่าแง่ทรายน่ะร้ายกาดขนาดไหนในด้านรองเชิงพรานใหญ่ของเราอย่างไรก็ตามที่ฉันพูดนี่เป็นแค่ข้อคิดเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าฉันจะปักบความแง่ทรายว่ามีเจตนาเช่นนั้นแง่ทรายอาจจะไม่รู้เรื่องดงว่านพิษมาก่อนเลยเหมือนไพรวันก็ได้แต่เปอร์เซนต์การเชื่อในข้อแรกสาหรับฉันนะมีมากกว่าหรือคุณคิดยังไงไพรวันนี่นี่ ถ้าจะยุ่ยสองคนนี่ฆ่ากันตายได้ออยังไงนะเมดารินพูดดังลั่นออกมาทั้งๆที่ใจจริงหล่อนก็คล้อยตามเห็นด้วยกับเหตุผลของแม่เพื่อนสาวต่างผิวระพินไพรวันฝืนยิน้มเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเรียบปกติว่าไม่ต้องกังวลแล้วครับคุณหญิงผมน่าไม่ได้โกรธเคืองแง่ทรายมากมายอย่างที่คุณหญิงกลัวถึงเพียงนั้นหรอกต่อให้แง่ทรายรู้ความลับข้อนี้อย่างที่เมย์ว่า แลวปิดเงียบไม่บอกให้ผมรู้ก็ตามผมเองก็ไม่เชื่อครับว่าแง่ทรายจะมีเจตนาแกลงให้ผมไปตายไอ้ส่วนเรื่องการลองเชิงหรือลองดีเนะี่ยก็ไม่มีวันจะหายไปจากสันดานของแง่ทรายได้ตามที่เมว่าเหมือนกันแาบใดก็ตามที่ยังทำงานอยู่เกียงข้างผมแล้วก็หันไปตอบความมาเรียว่าเมผมอยากจะคิดในแง่ดีนะว่าสมมติว่าเรื่องที่เราพูดกันนี้เป็นความจริง การที่เงยสายไม่ได้บอกให้ผมทราบซะก่อนก็คงเป็นเพราะคิดไปไม่ถึงเพราผมจะแยกตัวไปอย่างกระทันหันทุกท่านคงจําได้ดีนะครับว่าขณะที่เราจะแยกจากการครั้งแรกนะผมบอกกับทุกคนว่าผมจะขึ้นไปบนยอดเนินเพื่อดูเห็นชัดว่ามีป่าหินซ่อนอยู่หลังเนินลูกนั้นหรือเปล่าซึ่งถ้ามีป่าหินอยู่จริงทั้งหมดก็จะตามขึ้นไปสมทบกับผมบนนั้นในกรณีนั้นเงยสายก็คงจะบอกความลับเรื่องนี้แก่ผม ก่อนที่เราจะเข้าป่าหินก็ได้แต่นี่เราแยกจากกันไปเลยจึงไม่มีโอกาสจะบอกได้ว่าแต่เมื่อตอนที่ผมเยียบหายผิดเวลาไปจนกระทั่งคุณชายตัดสินใจออกตามง่ยทรายพูดหรือแสดงปฏิกิริยาอย่างใดบ้างนะครับสามคนของฝ่ายนายจ้างนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อบ่ายวันวานนับตั้งแต่จอมพรานแยกตัวออกไปซึ่งมันไม่มีอะไรสับสนนักต่าจาได้อย่างดี ลำดับภาพถูกหมดทุกระยะแง่ท า, ายก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรทั้งสิน้นนะนับตั้งแต่คุณแยกจากไปตรงเนินลูกนั้นชยันเป็นคนพูดช้าๆก็รู้สึกคล้ายๆกับว่ามันจะมีความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าคุณจะไม่หายไปไหนและจะต้องได้พบกันตามเวลานัดในขุนทางข้างหน้ามันรักษาเส้นทางนำพวกเราทั้งหมดไป ตามที่คุณสั่งโดยเคร่งครัดอย่างเดียวเท่านั้นอีทีนี่เวลามันเย็นลงทุกทีจนกระทั่งเกือบคำ่ำคุณก็ยังไม่โผล่มาพวกเราเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติแต่ก็ไม่มีใครปริปากพูดขึ้นแงาน้ายก็เฉยมันเอาแต่พาเดินรุดหน้าท่าเดียวในที่สุดบุญคำสิเป็นคนทักขึ้นบอกว่าผิดปกติไปซะแล้วคงจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอันเนื่องมาจากบุญคาทักขึ้นคนเดียวนัว่นแหละ เชษดาก็เลยสั่งให้พวกเราทั้งหมดหยุดการเดินทางทันทีซึ่งตอนนั้นมันก็พรูเรลพอดีครั้งแรกบุญคำก็จะไปตามหาคุณเองแต่เชษดาสั่งให้อยู่แคมป์ที่พักตัวเข้าลงมือเองโดยสั่งให้แอรายไปด้วยพวกเราถามความเห็นมันเหมือนกันว่ารู้สึกยังไงที่คุณหายไปในป่านในป่าป่านา น, านั้นแล้วยังไม่โผล่ไม่เห็นสักทีมันก็บอกว่า ถ้าบุญคําทักแล้วแบบนั้นน่าจะผิดปกติเหมือนกันแล้วก็ไม่แสดงความวิตกหรือพูดอะไรอีกทั้งสิ้นพวกเราก็อ่านไม่ออกจริงๆตรงข้ามกับคนของคุณขยินหรือสางปลาพวกนั้นกระสับกระสายร้อนใจกันหมดทุกคนงายทายไม่ทักท่วงคุณชายบ้างหรอครับว่าไม่สมควรจะตามผมไปในเวลากลางคืนอย่างนั้นก็ไม่เห็นทวงหรือห้ามปรามอะไรนี่ แต่บางทีจะเป็นเพราะไม่กล้าก็ได้นะเพราะพวกเราทั้งสามคนนี่ก็ยังไม่มีใครกล้าทัดทานไว้ได้เลยนายใหญ่สั่งให้มันจัดเตรียมของมันก็ไปเตรียมพอพร้อมก็เออกเดินไปด้วยกันพวกเราทางแคมป์นี่ไม่มีโอกาสรู้เลยว่าทั้งสองคนนั่นจะเดินตามคุณตามหาคุณในเวลากลางคืนและในภูมิประเทศแบบนี้ได้ที่ไหนแต่ก็ฝากความหวังทุกสิ่งทุกอย่างว่ากรบแงาทรายมัน เพราะเชื่อฝีมือมันอย่างเต็มที่อยู่แล้วว่าถึงยังไงมันก็คงจะไม่พาเชื้าไปสู่อันตรายและมันก็รอบคอบพอใช้นะเรามารู้จักบุญคำทีหลังว่ามันเอายากันหนาวจากบุญคำติดตัวไปด้วยและชา ย, ยันก็ถอนใจยาวอีกครั้งเอ็นกายลงนอนหงายเหยียดยาวกับพื้นหญ้าอย่างเมื่อยลา้ากล่าวต่อมาว่าพวกเรานะ่ครุ่นคิดกันไปต่างๆนานาว่าคุณหายไปไหน เกิดอะไรขึ้นแล้วก็ยิ่งพวัพวงห่วงซ้อนห่วงขึ้นมาอีกไม่เชิดถากระแงยายออกไปตามไหนจะห่วงคุณไหนจะห่วงเชิฐาผมน้อยเมแทบจะบ้าตายกันทีเดียวเพราะต้องอยู่โยงได้แต่รอฟังข่าวเรานึกทายกันว่าคุณคงไปเกิดอาการไข้จับสันนอนหมดสติอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึง่งแล้วก็ภาวนาขอให้เชษฐากระแงยายไปตามพบ จะได้ช่วยกันแต่แล้วเหตุการณ์ก็กลับตลบปัดผิดคาดไปหมดพอใกล้รุง่งคุณโผล่กลับมาสองคนนั่นเป็นฝ่ายหายไปแทนเพิ่งจะมาได้ค้าวความจริงเอาเดี๋ยวนี้ค่อยโล่งใจไปนิดทางผมน่ะคิดไว้แล้วทีเดียวถ้าทั้งคุณเชิดถาและแง่ทรายพากันหายเงียบกันไปหมดก็เห็นจะต้องถอยกลับไปภูเขานิลการไปขอแรงลูกน้องวายาให้มาช่วยค้นจะเป็นแน่ละ่ะ พลานใหญ่หัวเราะออกมาเบาๆคงไม่ถึงกับขนาดนั้นหรอกครับคุณชัยยันจะยังไงเสียถึงผมพลาดพลั้งเป็นอะไรไปแง้สายก็ยังอยู่ทั้งคนคงไม่เคราะร้ายพร้อมกันทั้งสองคนหรอกนี่เห็นจะไม่ได้หลับได้นอนกันเลยใชนะครับโธใครจะไปหลับลงดารินว่าใช้ปลายมือทั้งสองข้างขยี้แตะขยีบเปลือกตา จะตกอยู่ในสถานการร้ายสักขนาดไหนก็ตามขออยู่กันพร้อมหน้าทุกคนก็ยังอุ่นใจได้บ้างไม่ต้องพลัดแยกจากกันไปไม่รู้ด้วยว่าจะเป็นตายรายดียังไงที่พักของเราเมื่อคืนนี่คุณก็เห็นแล้วขุดรู้ลวไปนั่งจับเจาเบียดกันอยู่เหมือนตัวตุ่นนั่นแหละก็ไม่อยากจะโทษคุณลงนะแต่มันเป็นความจริงในข้อที่ว่าความผิดน่อยู่ที่คุณคนเดียวพระแยกทางไป ถ้าไปพร้อมๆกันก็คงไม่เกิดเรื่องยุ่งยากสับสนอลหม่านแบบนี้หรอกเอาละครับผมยอมรับผิดโดยดีครับก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเกิดเรื่องยุ่งยากขึ้นทุกท่านถึงแม้จะลำบากไม่ได้หลับนอนก็ยังดีกว่าผมคุณชายและแง่ทายมากนักเพราะถึงยังไงก็มีที่พักพวกเราสามคนที่แยกออกไปนี่กรำหนักกันตลอดทั้งคืนไม่ได้พักเลยแม้แต่นิดเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมอาหารเย็นเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ได้ทานเลยได้อาศัยแต่น้ำกลัวท้องเท่านั้นแหละพรานใหญ่พูดยิ้มยิ้มดาลินเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้หันมาจ้องหน้าความรู้สึกอื่นใดที่มีอยู่ในขณะ น, นี้เหือดหายไปหมดสิน้นเหลือไว้แต่ความห่วงใยเวทนาจริงสิหล่อนลืมคิดซะอย่างสนิทว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นสุภาพบุรุษไพรของหล่อนผู้นี้ ต้องเผชิญกับความทุกยากทรมานซักปานใดเห็นหน้าเขาผลกกลับมาได้ก็เกิดมีความห่วงกังวลเฉพาะพี่ชายขึ้นมาแทนที่อย่างกระทันหันทําให้เกิดความหงุดหงิดเดือดดาลและโทษซั์ว่าเป็นความผิดของเขาแบบนี้หล่อนก็พอจะรู้แน่แล้วว่าพี่ชายปลอดภัยจากอันตรายอย่างที่ห่วงไปได้ยังก็เพียงแต่จะเดินทางไปให้พบดังจุดนัดหมายเบื้องหน้าเท่านั้น ทำไมตัวเองจึงมัวแต่พัณ น, นาถึงความเดือดร้อนยากลําบากในการเป็นฝ่ายรอฟังข่าวเมื่อคืนนี้ทําไมไม่คิดบ้างว่าเขาผู้นี้เลือดตาแทบกระเด็นเพียงไหนในเวลาระหว่างนั้นซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นผลจากการทํางานอย่างเสียสละของเขานั่นเองพิดูใบหน้าดวงนั้นก็เห็นชัดแล้วว่าบอบช้าอิดโรยเพียงใด ผิวหน้าซีดคล้ำปราศจากสีเลือดขอบตาลึกโหลเขียวชำ้ำดวงตาทั้งคู่ก็แห้งพาดแทบจะปราศจากแววเห็นแล้วก็บังเกิดความสงสารจับใจถ้าไม่กีดขวางชัยยันกมามเรียในขณะนี้หล่อนอยากจะประคองเขาให้นอนหลับลงกับตักประเดี๋ยวขยินตามพวกนั้นมาถึงที่นี่คุณกินอาหารซะแล้วจะนอนพักสก่อนสักสองสามชั่วโมงก็ได้นะ ไม่มีอะไรจะต้องรีบร้อนแล้วในเมื่อเราก็รู้ที่หมายแน่นอนของพี่ใหญ่กระแงสายแล้วเช่นนี้ดารินพูดแผ่วเบาไม่ต้องหรอกครับคุณหญิงขอเพียงให้ได้รองท้องชนิดหน่อยพอได้แรงแล้วเราออกเดินทางเลยดีกว่าครับเพราะถึงยังไงผมก็หลับไม่ลงเหมือนกันแกรบใดที่ยังไม่พบคุณชายกากว่าเราจะถึงหลุมุกาบาทที่หนึ่งและพบคุณชายที่นั่นในตอนเที่ยงของวันนี้ ให้พบกันพร้อมหน้าซะ ก, ก่อนแล้วก็หยุดพักดีกว่านะครับฉันดูท่าว่าคุณจะไปไม่ไหวแล้วนะรพินอย่าฝืนเลยพี่ใหญ่คงไม่คืบหน้าไปไหนต่อไปอีกหรอกถึงยังไงก็ต้องรอคอยพวกเราอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะไปถึงไม่มีความจำเป็นอะไรที่คุณจะต้องหักโหมเร่งเดินเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเจ็บป่วยเพราะร่างกายทนไม่ไหวมันจะยิ่งลาบากขึ้นไปอีกนะจอมพลนไม่ตอบ และดูเหมือนจะไม่สนใจกับอะไรอีกทั้งสิ้นทอดกายลงนอนเหยียดยาวใช้หมวกปิดคลุมหน้าไว้ลักษณะเหมือนจะพลอยหลับไปอย่างง่ายง่ายในระหว่างสามคนที่เฝ้าพิจารณาดูอยู่ไม่มีใครรบกวนเขานอกจากจะปรึกษาหารือกันเองเบาๆพักใหญ่ต่อมาพอแดดเริ่มแรงขึ้นขยินก็นำขบวนของพวกลูกหาบทั้งหมดแบกข้าวของสัมภาระมาถึง ระพินก็พังกกายลุกขึ้นมาในทันทีที่คนเหล่านั้นถึงตัวโดยไม่จําเป็นต้องมีใครปลุกทุกคนของพวกลูกหาบหรืออีกนายหนึ่งพรานพื้นเมืองหัวเห็ดทั้งหลายคงจะได้ทราบอะไรต่ออะไรจากการบอกเล่าของขยินก่อนแล้วต่างแสดงความประหลาดใจและเดือดดาลต่อการกระทําของแง่ทายเป็นอย่างยิ่งแม้กระทั่งส่างตาเจ้าตองสูผู้ไม่เคยมีแปากมีเสียงกับใครทั้งสิ้นก็ยังสะบดด่าพึม มันควรจะเอาในายใหญ่กลับไปที่พักของเราก่อนทดุดไอชิบหายแงซายนี่เจ้าลูกศิษย์ของมาเรีย ว, ว่าและทุกคนก็เพิ่งจะเห็นมันแสดงความรู้สึกอันเกี่ยวข้องกับคณะทั้งหมดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ร่วมทางกันมาในระยะอันยาวนานซึ่งมีแต่ภาวะตายด้านเป็นศากระบือดินไม่รู้หนาวรู้ร้อนของมันบุญคำนั้นไม่ต้องพูดถึง พอมาถึงก็แล่นขึ้นไปดูยังช่องประตูผาตรงที่แง่ทรายเขียนลูกสอนสัญญาณทิ้งไว้ตลอดจนร่องรอยอื่นๆพอกลับลงมาก็ด่าขโมงโฉงเฉงชนิดที่เอากระบุงโกยไม่ไหวจนรพินเองต้องทำความเข้าใจกับคนเหล่านั้นว่านี่อย่าไปว่าอะไรแง่ทรายเลยมันทำถูกแล้วเที่ยวนายใหญ่ล่วงหน้าไปก่อนจะได้ไม่เสียเวลาเดินย้อนกลับไปกลับมาเดี๋ยวพวกเราทั้งหมดก็ตามไปพบเองนะ่ะ หยุดนัดพบไงไงก็รออยู่ข้างหน้าแล้วเลียมจับนักไอ้เปรตนี่จันอุบอิบในลำคอสาบแช่งเจริญพรให้แ ง, ง่ายหลกมุมแอบรลอพาในายใหญ่ล่วงหน้าไปก่อนเรื่องที่มันจะทิ้งให้เราแบกของโดยตัวมันเดินสบายไม่กระไรนักหรอกแต่มันเอาในายใหญ่ไปตามลำพังอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นกับนายใหญ่ชีวิตของมันทั้งชีวิตก็ใช้ค่าแทในนายใหญ่ไม่ได้ ผูพกพานพื้นเมืองเหล่านี้มีความรักและห่วงใยแต่เชืฐาเคารพนับถือเสมือนพ่อบังเกิดกล้าวด้วยกันทุกคนชัยยันและดารินมองดูคนเหล่านั้นอย่างรักใคร่สนิทใจและบอกว่าน่ า, นายใหญ่ไปกับแงซทายไม่เป็นไหนรหรอกเชื่อใจได้เสมอนะอย่าไปห่วงเลยบุญคำสายหัวดิกๆถมเศษใบกระท่อมออกจากปากแล้วหันไปมองเจ้านายของแก ก่อนนายจะแยกทางเมื่อวานนี้บุญคําเห็นนายเอาลายแทงให้ไอิแงซายถือไว้ไม่ใช่เลย อ, อืมใช่เส้นทางอยู่ในมือของมันแล้วแบบนี้ดีไม่ดีจะไม่หยุดรอเราอยู่ที่หลุมนะ่ะถ้านายใหญ่เปิดลิฟไปไกลอีกเป็นได้ยุ่งกันละมันมีของประกันอยู่ในมือมันสองอย่างเลยสําคัญที่สุดเส่นด้วยหนึ่งคือตัวนายใหญ่ อีกหนึ่งคือหลายแทงไ่กระพินไพรวันฉุกใจคิดอยู่อึดใจหนึง่งก็ฝืนยิ้มตบบาคนของเขาบอกเรียบๆว่าน่าเนซายกูไม่กล้าทำถึงขนาดนั้นดอกบุญคบพรานเท้าคู่ใจของเขาขมวดคิ้วนิ่วหน้าเหลียวมองไปรอบๆตัวพอสังเกตว่าไม่มีใครทันจะหันมาสนใจแกกรพินในขณะ น, นี้ก็ฉุดข้อมือพรานใหญ่ ลากไปลับตาตอนหนึ่งแผ่วเสียงลงเป็นกระซิบบุญคำว่านายคิดผิดจะแล้วนะที่เอาลายแทงฉบับนั้นให้อิงแงซ้ายถือไว้คำพูดของบุญคำทำให้ระพินเครียดขึ้นในทันทีนั้นสองเบ่าวนายมองประสานสายตากันอยู่นานแล้วเขาก็เริ่มจะมองเห็นเ้าอะไรได้แรงๆจากความคิดระแวงของสมุนมือขวา จะชั่วชั่ว ด, ดีดูไม่เป็นประสาสักเพียงไหนบทจะรอบคอบขึ้นมาก็ไม่มีใครเกินตาเท่าได้เหมือนกันแล้วแต่ไหนแต่ไรมาแล้วบุญคาเปรียบเสมือนคู่คิดของเขาตลอดเวลามาไม่ว่าด้านงานหรือด้านส่วนตัวไหนลองบอกมาสิบุญคาคิดยังไงเสียงของเขาแผ่วลงเป็นกระซิบเช่นกันบุญคามองไปรอบๆอบตัวอีกครั้ง ไม่ต้องการให้คำพูดของแกแพร่งายไปถึงหูใดอีกทั้งสิ้นนายนายลืมชันแล้วเหลอว่าแง่ซายน่ะมันติดตามมากับพวกเราในครั้งนี้เพื่ออะไรแล้วอะไรที่นายเฝ้าคอยระแวงไม่ไว้ใจมันตลอดเวลาจอมพรานเม้มริมฝีปากแน่นดวงตาทั้งคู่รีลงไานพูดต่อไปสิคุนคำ สายนะมันไม่สนใจหรอกนายว่าพวกเราจะไปติดตามคน้นหาคนหายสาบสูนย์ที่ไหนไอจะพบหรือไม่พบนะไม่ใช่ธุระของมันแต่ธุระของมันเท่าที่เรารู้อยู่ขณะ น, นี้คือมันต้องการไปถึงที่หมายของมันโดยไม่ยอมให้อะไรมาขีดกันเป็นอุปสรรและไม่คำนึงถึงด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นผลเสียหายกับพวกเราส่วนใหญ่หรือไม่บุญคารู้ ว่านายราหาดระแวงมันอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ยังคนไม่พบคาตอบแน่นอนเท่านั้นที่ว่ากลัวมันจะทรยศนะ่ะมันจะทรยศในเรื่องอะไรยังงี้หรือเปล่าล่ะนายพูดหน้าคิดมากนะบุญคำไหนต่อไปสินายบุญคำสังหรสังหรว่าบางทีคำตอบหรือสิ่งที่นายเฝ้าจับดู อาจจะเกิดขึ้นแล้วหลายแทงแผนที่สาคัญในการเดินทางของเราแต่ไหนแต่ไรนายถือมาคนเดียวแม้แต่คณะเจ้านายนายก็ยังไม่เคยมอบไว้ให้แต่มาคราวนี้ไม่รู้อะไรมาบังตาเราไว้นายกลับส่งให้แง่ายมันถือไว้นั่นมันเรื่องนึงส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่สาคัญพอๆ<ม>กันก็คือนายใหญ่ของเราสิตอนนี้ตกอยู่ในกามือของมันแล้ว ฐานะของนายใหญ่ในขณะนี้นะประยับไม่ผิดอะไรกับเด็กบริสุทธิ์ซื่อคนหนึ่งสุดแต่ว่ามันจะพาไปไหนก็คงต้องยอมไปกับมันโดยไม่คิดไหวระแวงอะไรเลยเนื่งองมาจากความเชื่อมัน่นไว้วางใจแก่กันทั้งนายใหญ่และลายแทงน่าจะกลายเป็นตัวประกันสำหรับไอ้แง่ทรายไปซะแล้วระพินไพรวันเงือผุดเต็มใบหน้า ทั้งทั้งที่อากาศยามนี้เพิ่งจะเริ่มอบอุ่นเท่านั้นสมมุตินะสมมติว่าเป็นอย่างที่บุญคำพูดแง้าสายเจ้าตัวนายใหญ่ไปเป็นประกันเพื่ออะไรล่ะอา้าวแล้วกันสินายนายก็ฉลาดออกสารพัดมาคราวนี้ทำไมถึงอับจนคิดอะไรไม่ออกไปอย่างนั้นเล่าก็มันหนีจากเราไปเพื่อที่จะเดินทางไปถึงที่หมายตามลำพัง ตัวมันเองนะ่ะมั น, ม, นมันไม่สนใจใยดีอะไรกับพวกเราอีกแล้วอ่ะแผนที่ลายแทงก็อยู่ในมือของมันมันอ่านลายแทงปโปร่งกว่านายซะด้วยซ้ํราระยะทางที่เหลือก็เพียงชั่วอีกนิดเดียวเท่านั้นมันไม่จําเป็นจะต้องพึ่งพาพวกเราอีกแล้วนี่อีทีนี้เมื่อมันจะมุ่งหน้าไปตามลําพังแล้วฉะนนั้นมันก็ต้องรู้ว่านายจะต้องตามล่ามันจนถึงที่สุดไม่พบก็แล้วไป พบเมื่อไรก็แหลกเมื่อนั้นมันถึงต้องเอานายใหญ่ไปเป็นตัวประกันด้วยไงนายพอจะเห็นแจมแจ้งบ้างหรื อ, อยังเล่าตามที่บุญคำพูดอนะ่ะจอมพรานตะลึงนิ่งไปนานบุญคำฉันยอมรับนะว่าเหตุผลของบุญคำมนะันมีน้ำหนักแต่อยากจะขอถามอีกสักคำเถดไม่มีใครในโลกนี้หรอกที่ฉันจะเชื่อมั่นแล้วไว้วางใจไปว่บาบุญคาอีกแล้ว สิ่งที่ฉันจะถามก็คือบุญคำแน่ใจเหรอว่าแง่สายจะทอรรยด์ดนายบุญคาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันที่พูดกับ น, นายก็เพียงแต่บอกถึงความรู้สึกที่เสีวเสียวไปเท่านั้นตามสิ่งที่บุญคำเห็นบุญคำรู้ดีว่าทาั้งทั้งที่ไม่ไว้ใจทั้งทั้งที่ไม่ไว้วางใจหวาดระแวงมาอยู่ตลอดเวลาแต่นายก็รักแง่สายมาก พวกเราทุกคนก็ล้วนรักมันทั้งนั้นเพราะตลอดเวลามันทำให้เรารักมันเสียสลักและทำทุกสิ่งทุกอย่างในลักษณะรวมเลือดรวมเนื้อกับเราเป็นคนสาคัญที่สุดในคณะของเรานี่ไม่ได้ด้อยไปกว่าตัวนายเองเลยในสายตาของเจ้านายทั้งหลายมันสละเลือดกู้ชีวิตนายใหญ่ไว้มันช่วยชีวิตพรานใหญ่ระพินไว้หลายครั้งงานใดก็ตามที่มันได้รับมอบหมายไม่เคยพลังพลาด ทำได้อย่างได้ผลเสมอแต่นายไม่เฉลียวคิดบ้างหรือไะทั้งหลายแหลที่มันทำไปแล้วก็เพื่อจะลวงพวกเราให้ตายใจสนิทเพื่อจะได้หักหลังในบ้านปลายอย่างถนัดถนีที่สุดแล้วก็ได้ผลด้วยเห็นไหมพระบุญคำเห็นนายส่งมอบลายแทงให้มันถือไว้บุญคำก็รู้ทันทีว่ามันชนะใจนายแล้วโดยการที่นายไว้ใจมันอย่างชนิดที่สุด ตอนนั้นก็ไม่ทราบว่ามีอะไรมาอุดปากบุญคําไว้ว่าจะทวงแล้วแต่ก็อ้าปากไม่ออกนีแ่แปลว่าบุญคําก็สงสัยสิว่าแงใสาจะไม่รอพวกเราทั้งหมดอีกแล้วแต่จะมุ่งหน้าบุกเดียวไปตามลําพังโดยทิ้งพวกเราทั้งหมดอย่างนั้นเหรอก็ใช่สินายบุญคําก็สงสัยอย่างนั้นแหละเพี่แต่สงสัยรูปการมันไม่เข้าเทีอยู่นา ตที่บุญคำพูดมนันเองมันห่วงอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าเราจะเดินไปไม่ทันถึงเวลาทําให้มันเสียผลประโยชน์ไปด้วยลําพังตัวมันนะ่ะถ้าเดินคนเดียวและมีลายแทงอยู่ในมือแล้วแบบนี้ก็แสนที่จะสบายพวกเราสิถ้าไม่มีลายแทงอันนั้นอาจหลงตามมันไม่ถูกหรือตามไปถูกทางก็อาจจะสายไปซะแล้วระยะทางช่วงนี้นะ่ะมันเป็นช่วงปลายสุดท้ายแล้ว มันไม่มีความจาเป็นอะไรที่จะต้องหวังพึ่งคณะส่วนใหญ่ของพวกเราอยู่อีกให้เสียเวลาการบกป่าฝ่าดงไหนก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าเองแง่ซายนะ่ะมันมือขนาดไหนจังหวนะให้มันเหมาะที่สุดแล้วถ้ายังไม่ถึงระยะสำคัญสุดท้ายช่วงนี้น่ะมันก็คงยังไม่กล้าผลักแยกจากเราไปก่อนหรอกตลอดเวลานะ่ะมันอาศัยติดสอยห้อยตามเรามาหวังเราเป็นที่พึ่งด้วยพอถึงบ้านปลาย เห็นทางไปได้โดยสะดวกมันก็หันหลังปีกแยกไปคนเดียวทิ้งเราเลยมันอาจมีเจตนาที่จะให้เราทั้งหมดหลงทางไปไม่ถึงที่ที่มันจะไปด้วยก็ได้เกสบเ้าเปนเขาปลงใจคิดเช่นเดียวกับคนของเขาเห็นจะไม่มีปัญหาแน่แล้วรบพินไพรวันเสียรู้แง่ายเสียแล้วยังเจ็บแสบที่สุด เป็นการพลาดท่าเสียทีทั้งๆ ท, ที่ตลอดเวลาก็ไม่ได้เผลอเลยแงสายหนอแง้สายจอมพรานรำพึงฉันคิดระแวงอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าแกจะต้องทรอยศัหักหลังในวันนึงและวันนั้นก็คือวันนี้โดยรูปการเช่นนี้เองพรานใหญ่สะกดกลั้นความขมขื่นเจ็บช้ำไว้ภายในโดยไม่คนของเขาเห็น ยิ้มให้บุญคำอีกครั้งและพูดเรียบที่สุดว่าเก็บเรื่องนี้ไว้มิชิดที่สุดนะบุญคำอย่าให้เจ้านายของเราหรือค น, อ, นอื่นรู้เป็นอันขาดแล้วนายจะอย่างไรต่อไปก็เดินไปที่หลุกมกาบาทเราจะได้ดูใจแง่ทรายกันที่นั่นทุกคนพร้อมที่จะคืบหน้าได้ทันทีเมื่อบันจุกระเพาะ มือเช้ากันอย่างรีบด่วนพอให้เกิดพลังงานประทังความหิวมากกว่าคำนึงถึงรสชาติใดๆทั้งสิ้นฝ่ายนายจ้างและฝ่ายพรานพื้นเมืองอื่นๆทุกคนไม่มีใครเฉลียวคิดหรือระแวงอะไรในการเจรจาหารืออันเป็นความลับโดยเฉพาะระหว่างพรานใหญ่กระบุขคดและวรพินก็มีคำสั่งให้เคลื่อนที่ทันทีโดยไม่สนใจกระถ้อยคาของหมอดารินซึ่งพูดมาเป็นเชิงการุนเป็นห่วง อยากให้เขาพักก่อนสักสองสามชั่วโมงแต่เดิมทีนั้นเขาเองก็มีความร้อนใจอยากจะตามไปพบท่านหัวหน้าคณะกับแงซายซะโดยเร็วอยู่ก่อนแล้วยิ่งมาสะดุ้งใจจากข้อคิดของบุญคำเข้าให้อีกเค่นนี้หัวเด็ดตีนขาดเขาจะไม่ประวิงเวลาต่อไปแม้แต่นาทีเดียวถูกละที่หลุมอุกาบาทหลุมที่หนึ่งอนันเป็นเป้าหมายเบื้องหน้านั่นแหละ ความจริงทั้งหลายมันจะพิสูจน์ชัดออกมามันหมายถึงแกนแท้กลางใจของแง่ทรายเจ้าคนลึกลับคนนั้นด้วยอย่างไรก็ตามบัตนีรพินไพรวันเต็มบรยสังหนรายความรู้สึกชนิดนั้นแสดงออกโดยท่าทีอันกระสับกระส่ายร้อนรนของเขาอย่างที่ไม่อาจซ่อนเร้นไว้ได้จนกระทั่งดารินสังเกตเห็นนี่ทาไมถึงเดินอย่างรีบร้อนนะักรพิน หลอนถามขณะที่เร่งฝีเท้าเป็นวิ่งเหาะๆขึ้นมาทันเขาผู้ซึ่งจำอานำขบวนไปเบื้องหน้าจนลืมซะอย่างสนิทว่าเขาเองขณะนี้ไม่ได้เดินอยู่ตามลำพังคนเดียวหากแต่มีขบวนแหแบกหามของหนักติดตามมาด้วยจอมพลานรู้สึกตัวฝืนยิ้มให้บอกกับตนเองว่าจะอย่างไรซะเขาก็จะต้องปิดงำข้อสงสัยในเหตุการณ์ที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าไว้ก่อน จนกว่าเหตุการณ์นั้นจะพิสูจน์ชัดแน่นอนออกมาเพราะมิฉนะนั้นมันจะเกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมายรวมทั้งการเสียขวัญของคณะนายจ้างทุกคนซึ่งก็ดีไปอย่างที่ทั้งสามคนคือชายันดารินและมาเรียไม่มีใครคิดระแวงลึกไปถึงท่าทีตลอดจนพฤติการของแง่ทรายเหมือนเช่นบุญคำกันสักคนเดียวนี่ก็เนื่องมาจากความไว้วางใจในตัวแง่ทรายซะจนหมดความระแวง โดยสิ้นเชิงนั่นเองผมอยากจะไปถึงที่หมายช่วงนี้ซะโดยเร็วครับใจร้อนอยากพบคุณชายกับแง่ทายนะ่ะเห็นคุณชายยันบอกว่าคุณชายสั่งให้แง่ทายเตรียมอาหารติดตัวไปเพียงสองมื้อเท่านั้นไม่ใช่หรอครับป่านนี้ขาดสเสบียงหิวกันแย่แล้วแต่คุณเดินเหมือนวิ่งอย่างนั้นแหละระพิดหลอนเตือนพรนใหญ่ผ่อนฝีเท้าลงหน่อยหนึ่งเพื่อป้องกันไม่เกิดการสงสัย ถ้าไม่คิดถึงคณะทั้งหมดที่เดิมกมาเป็นขบวนในขณะนี้เขาคงจะออกวิ่งไปแล้วด้วยซ้ําสิ่งที่ทุกคนคาดหมายไว้ล่วงหน้าก็จําต้องเป็นไปตามรูปการของมันคือขยินผู้แต่เดิมทําหน้าที่แบกหามคู่กระแงสทายนั้นเมื่อเจ้าตัวดีปลาทิ้งล่วงหน้าไปก่อนแล้วเช่นนี้สางตาซึ่งโดยปกติจะเดินเดี่ยวคอนสัมภาระส่วนตัวของมารียตามลําพังก็จําต้องมาประจําเป็นคู่หากแทนให้ แต่มันก็ไม่ได้ปริปากบ่นแม้แต่คำเดียวและบัดนี้ในภูมิประเทศอันเป็นทุ่งโลง่งลิบลิวสุดลูกหูลู ก, ลกตาสามารถมองเห็นอะไรได้ชัดเจนในรัศมีไกลรอบตัวชายันกะมาเรียมองไม่เห็นความจำเป็นอย่างใดที่จะต้องคอยเดินคุมขบวนเพื่อเป็นหน่วยคุ้มกันภัยจึงเร่งฝีเท้าขึ้นมาเดินนาหน้าเรียงเป็นแถวหนักระดานเกาะกลุ่มกับพรานใหญ่ทั้งหมด ทุกคนกระปกกระปรี้ยเพลียแรงและอ่อนระหยเต็มทีเพราะไม่ได้พักผ่อนกันเลยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมายกเว้นระพินคนเดียวเท่านั้นแต่เดิมเขาอาจอ่อนเพลียยิ่งกว่าทุกคนแต่แ บ, บัดนี้ความห่วงใยต่อเหตุการณ์ทำให้ความรู้สึกนั้นไม่มีเหลืออยู่เลยแข็งใจหน่อยนะครับเราจะพักนอนกันที่หลุมมุกาบาดข้างหน้านั่นขอให้พบคุณชายกะแงทายซะก่อนเท่านั้น จะได้โล่งอกสบายใจกันได้ตามฝ่ายต่างแยกออกไปเช่นนี้มันไม่เหมาะคอยคิดกังวลอยู่นั่นแหละถ้า พ, พร้อมหน้ากันแล้ววันนี้เราพักผ่อนกันทั้งวันเลยก็ได้ครับไม่ต้องเดินต่ออีกเขาพูดปลอบใจนายจ้างทั้งสามซึ่งทุกคนก็พยักหน้ารับอย่างเข้าใจหารู้ไหมว่าในใจของพรานใหญ่กําลังคิดกลัดกลุ่มกังวลอะไรอยู่ในขณะนี้เขาพูดกลบเกลื่อนกับบุคคลเหล่านั้นไปเช่นนั้นเอง ในขณะเดียวกันก็เฝ้าถามตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าไปถึงหลุมอุกาบาทแล้วไม่พบเชิดถากะแงรายรอคอยอยู่ที่นั่นเขาจะทำอย่างไรต่อไปเฮ่ป่านนี้ไม่รู้เชิดถารูตัวหรือยังนะว่าถูกเจ้าแงสายมันหลอกนำล่วงหน้าไปเพื่อคอยเราก่อนแนละ้วชัยันบ่นอย่างเป็นห่วงผมคิดว่าคงไม่รู้หรอกครับ จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อแง่ทรายยอมบอกความจริงเท่านั้นก็อย่างที่ได้เรียนไว้แล้วแล้วถ้าแง่ทรายบอกคุณชายเมื่อไหร่คุณชายก็คงไม่ยอมไปกับมันเมื่อนั้นนอกจากจะสั่งให้มันนํากลับเพราะถึงยังไงคุณชายก็คงไม่ยอมทําอะไรอย่างประมาทแบบนี้ส่วนเจ้าแง่ทรายนะ่ะมันไม่คิดอะไรมากหรอกมันคิดแต่เพียงว่าเชื่อมือตัวเองและเก่งใจผมได้ถูกเท่านั้นนี่คุณว่าสองคนนั้นล่วงหน้าไปก่อนเรานานสัก เท่าใดบนเส้นทางนี้มาเรียยั่งความเห็นไม่เกินสองชั่วโมงหรือราวๆนั้นครับถ้างันในการไล่หลังไปอย่างกระชั้นเวลาของเราแบบนี้เราก็ควรจะตามไปทันเขาในระยะเว้นห่างขนาดเดียวกันนี้เหมือนกันใิใช่ไม้มดารินขอความมั่นใจครับผมเชื่ออย่างนั้นครับเราควรจะตามไปให้ทันในระหว่างที่ทั้งสองคนนั้นนั่งพัก ไม่นานเกินไปนักขนาดที่เราเดินกันอยู่นี่สองคนนั่นก็กำลังเดินอยู่เหมือนกันเพียงแต่ล่วงหน้าไปก่อนเท่านั้นผมถึงได้พยายามจะทำเวลาขึ้นอีกเพื่อจะได้ตามไปทันในเวลาไล่ๆล่กันตัดปัญหาความห่วงกังวลทั้งสองฝ่ายด้วยครับถ้าหมวแต่เสียเวลาช้าอยู่ประเดี๋ยวแง่ทรายไปถึงที่นั่นแล้วเกิดเอใจยังไม่เห็นเราตามไปในเวลาอันควรเดินย้อนกลับมาดูอีกก็จะเสียเวลากันไปใหญ่ เขาพยายามพูดไม่ให้เกิดข้อสงสัยแคลงใจอย่างใดทั้งสิ้นแก่ฝ่ายนายจ้างสิงชัยยันพึมพำเหมือนจะกล่าวกับตนเองว่าคิดคิดดูมันก็น่าติจริงๆเจงงา้าแง่ทรายนี่มันเอาเชิดขาเดินมาตลอดทั้งคืนยันสว่างแล้วแทนที่จะให้พักกลับล่าให้เดินต่อไปอีกยังน้อยๆก็อีกครึ่งวันเพื่อหวังอย่างเดียวจะล่วงหน้าไปถึงหลุมมุกกาบาทก่อนพวกเราทุกคนให้ได้ เป็นห่วงอยู่ว่าเพื่อนเราจะเอาเรี่ยวเอาแรงความทรารหดมาจากไหนจะไปเปรียบกันได้อย่างไงกับมันต่านนี้น่าจะเอกใจบ้างแล้วนะว่าเจ้าแง่ทรายพาตะลิดเปิดเปิงไปใหญ่มีอย่างเนะเดินมาทั้งคืนแล้วจะถึงที่พักเดิมของเราก็ไม่ถึงจะพบระพินก็ไม่พบแบบเนี้ก็พบร่องรอยของไพรวันตรงป่าหินเมื่อตอนใกล้รุ่งมันยังไงและรอยชนิดนั้นแหละ เ, เครื่องมือให้แงซท า, ายหลอกพี่ใหญ่ได้อย่างสนิทในการที่จะให้เดินคืบหน้าต่อไปชนิดพักไม่ได้การหลอกก็คือต้องเร่งเวลาเดินเพื่อพบตัวไพรวันให้ได้ไงมาเรียคาดคเนตตามเหตุผลของหล่อนโดยทิศทางที่มุ่งตะวันตกเฉียงเหนือเป็นเส้นดิง่งตามที่ทราบล่วงหน้าก่อนแล้วจากลายแทงกระพินไพรวันยึดถือเข็มทิศเป็นหลัก ไม่สนใจกับภูมิประเทศแวดล้อมอื่นใดอีกทั้งสิ้นไม่สนใจมองด้วยว่าทิวปีกครุฑอันเป็นฉากภูมิหลังแลเห็นลิบลิจะรดขอบฟ้าแสนไกลเบื้องหน้าจะแปลเปลี่ยนสันฐานรูปร่างไปอย่างใดผิดจากแนวทางที่คาดการไว้ก่อนเพียงไหนเขานำคณะรุดหน้าอย่างเร่งรีบไปอย่างเดียวไม่ยอมอ้อมผ่านแมจะเห็นเนินสูงขวางกั้นอยู่เบื้องหน้าลูกแล้วลูกเล่า โดยบุกข้ามเป็นเส้นตรงตลอดไม่มีใครพูดกับใครอีกแล้วเพราะความเหนื่อยหนักที่จะต้องก้มหน้าก้มตาเดินถ่ายเดียวและพรานใหญ่ยามนี้ก็ทิ้งขบวนออกไปถึงห้าหเมตรไม่ยอมให้ใครติดตามเขาเข้ามาใกล้ชิดอีกเป็นการเร่งให้เดินโดยตรงประมาณบ่ายโมงครึ่งฟ้าเหนือสีสะมืดครึมไปทุกทิศในรัฐมีกว้างไกล อันเป็นสัญลักษณ์เมฆฝนตามที่ทุกคนหวั่นระแวงและเกรงกันอยู่ตลอดเวลาร่างของระพินไพรวันขึ้นไปประดิษฐานยืนเด่นอยู่บนยอดเนินรูปกลวยฝาฉี่ในขณะที่คนอื่นๆกำลังกระปลกกระเปรียคย่คอยไต่ตามขึ้นมาทางเบื้องหลังในระยะห่างมาเรียนและดารินล้มลุกคลุกคลานเกาะพยุงกันเองอยู่นวเนียระหว่างไต่ทางสูงชันนั้นโดยมีชยันคอยเป็นพี่เลี้ยง ทั้งชุดทั้งจูงสองสาวอยู่ทันใดนั้นดารินผู้นั่งพับเพียบหอบอยู่บนพื้นหญ้าก็เงยหน้าขึ้นสลัดผมสายตาของหล่อนแลไปยังมักคุเทศจอมพรานที่อยู่สูงขึ้นไปด้วยความชงนแปลกใจใชายันกับมาเรียจึงแงหน้าขึ้นไปมองตามพรานใหญ่กำลังหยุดยืนนิ่งใช้กล้องสองทางไกลยกขึ้นจรดกับสายตาสองกวาดไปยังภูมิประเทศที่ต่าลงไป ยังฝั่งตรงข้ามเหมือนพบกับสิ่งที่สะดุดใจเขาบางอย่างและยืนส่องสงบนิ่งเหมือนจะรอคอยทุกคนอยู่บนนั้นมีอะไรน่าสนใจสำหรับภัรวันแล้วละ่ะเรารีบตามเขาขึ้นไปเร็วๆเถอะมาเรียบอกอย่างรีบร้อนพยายามรวบรวมกาลังชุดแขนดารินขึ้นและทั้งสามก็ไต่ทางขึ้นไปโดยเร็วเมื่อต่างตะเกียกตะกายขึ้นมาถึงในระดับเดียวกับกระพิน และทิ้งตัวลงนั่งราไปกับพื้นด้วยความเหนื่อยอ่อนแทบขาดใจผนก็มองเห็นในสิ่งที่รพินกำลังส่องกล้องอยู่ในขณะนี้ทำให้ต้องจ้องตะลึงกันไปชั่วขณะอุทานออกมาเป็นเสียงเดียวกันหลุมอุกาบาดต่ำกว่ายอดเนินนั้นลงไปห่างไม่เกินแป0ร้อยเมตรเป็นพื้นที่ลาดต่ำลงไปสู่บริเวณแอ่งดินอันกว้างใหญ่ไพศาลแอ่งหนึ่ง ลักษณะของมันเรากระใครมาขุดเป็นหลมไว้เหมือนทำเหมืองสันฐานเหมือนเกือบจะเป็นหลุมกลมมีเส้นพ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่าหนึ่งกิโลเมตรคอปากหลุมซึ่งแลเห็นจากภูมิประเทศสูงกว่าครุขระว้า ว, าวาแวงแวงเต็มไปด้วยชั้นของตะลิงริมปากขอบยื่นและว้าวไปตามแง่มุมต่างๆไม่เสมอกันคล้ายฝั่งตะลิงของลาห้วยสูงก้นบอ่อ จะลึกลงไปอีกสักเท่าใดไม่สามารถจะแล่เห็นได้ในมุมที่ยืนกันอยู่ในขณะนี้แต่รู้สึกว่าจะลึกลงไปมากไม่ผิดกระหิวเพราะโดยเฉพาะแต่ละฝั่งของขอบหลุมก็ยังแล่เห็นลึกตามลงไปในแผ่นดินเบื้องล่างราวหน้าผาขอบปากหลุมเรียงรายระเกะระกะไปด้วยก้อนหินใหญ่น้อยผ่ามกลางภูมิประเทศอันเป็นดินทรายปนกรวดสีแดง มีเส้นทางคดเคี้ยวหลายสายปรากฏจากบริเวณทุ่งหญ้าที่แวดล้อมรอบด้านเลี้ยวลัดเข้ามาสู่ปากหลุมยักษ์นี้และนะักคือเส้นทางระบายของน้ำที่จะไหลาจากแผ่นดินสูงลงไปสู่ก้นเบื้องต่ำของหลุมมาคมานีตามกฎของธรรมชาติณนะที่นั้นหลุมอุกาบาต ท, ที่หนึ่งของมังมหานรธา สงบเงียบปราศจากวิแววของสิ่งมีชีวิตใดๆทั้งสิ้นลักษณะของมันอยู่ในความอ้างว้างโดดเดี่ยวชั่วนิรันดร์การดารินและชัยันเมื่อตื่นจากตะลึงก็แทบจะลืมความเหน็ดเหนื่อยหมดสิ้นด้วยความตื่นเต้นยินดีรีบงัดกล้องสองทางไกลประจำตัวขึ้นมาปรับเลนกว่าดูโดยเร็วอย่างพินิษส่วนรพินไม่เอ่ยคำใดทั้งสิ้นส่งกล้องของเขาไปให้มาเรีย ซึ่งหลอนก็รับไปอย่างกระหายนี่เหรอหลุมอุกาบาทที่หนึ่งตามที่ระบุไว้ในแผนที่ดารินร้องออกมาด้วยเสียงตื่นตื่นทานใหญ่ไม่ตอบดวงตาทั้งคู่รีลงขณะที่สุดกายลงนั่งกอดเขา่าทอดมองลงไปด้วยตาเปล่าเช่นนั้นมาเรียมม้มริมฝีปากแน่นหลอนปรับเลนในกล้องให้เข้ากับสายตาของตนเองอย่างถนัดที่สุด แล้วส่องสำรวจพินิษทีท่วนไปยังบริเวณที่ปรากฏชัดเจนอยู่ในเลนย่นระยะนั้นตรวจดูลักษณะของปากหลุมสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงและแม้กระทั่งพื้นดินก้อนหินแล้วบอกมาต่ำๆว่าคนเขียนลายแทงไม่ได้ตั้งชื่อหลุมนี้ไว้อย่างปราศจากวะอย่างปราศจากเหตุผลเลยครับเขาจะต้องมีความรู้ในด้านภูมิศาสตร์ดีที่สุดคนหนึ่ง ไม่ว่าเขาจะเป็นคนในสมัยไหนก็ตามหมายความว่ายัางไงชายันหันขวับมาถามแม่สาวยิ้มแขค่นแคนยักไหล่นิดนึงตายังไม่ห่างกล้องที่กวาดช้าๆไปมาหลุมที่เราเห็นอยู่นี่เกิดขึ้นเพราะสะเก็ดดาวตกจริงๆนั่นแหละฮ่าสะเก็ดดาวตกอะไรทำไมมันถึงได้ใหญ่โตมาโหรานถึงขนาดนี้ล่ะ มีอะไรมาขีดขั้นหรือกำหนดได้ละ่ะว่าสเก็ต ด, ดาวที่ตกลงมากระทบผิวโลกพระผิวโลกพระเคราะห์ดวงนี้จะต้องเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนมารียตอบมาด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมจริงจังมันอาจเล็กที่จนกลายเป็นทุลีเท่าถูกเผาหมอดใหม่ในชั้นบรรยากาศก่อนจะลงมาถึงพื้นหรือมันอาจจะใหญ่โตกว่าโลกนี้เองก็ได้เพียงแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไรเท่านั้น หรือมันเกิดจากสะเก็ดดาวตกที่เราเห็นอยู่นี่ความจริงมันไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่โตอะไรเลยจนนิดเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดและอายุของโลกทะเลสาบหรือที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ไพศาลทุกแห่งที่เราเคยรู้จักถ้าจะสืบประวัติของมันย้อนหลังขึ้นไปจนถึงสมัยการก่อกำเนิดของโลกบางแห่งมันก็เป็นอิทธิพลมาจากสะเก็ดดาวตกลงมาหรือวิ่งเข้าชนจนเกิดรอยบุบว้าวลึกลงไปนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเชื่อเถอะว่านั่นคือหลุมจากสเก็ต ด, ดาวตกจริงๆแต่จะนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่ทราบอาจจะหลายพันล้านปีนับย้อนหลังขึ้นไปนี่ก็แปลว่าผู้เขียนลายแทงมาด้โมเม ต, ตั้งชื่อนี้ขึ้นเองอย่างสงเดชนะที่อดีตนายทหารปืนใหญ่ครางอย่างสุดพิศวงท่านก็บอกแล้วไง ว่ามิสเตอร์อะไรชื่อเรียกยากของไพรวันน่ะจะต้องเป็นนักภูมิศาสตร์โลกโบราณที่เชี่ยวชาญคนหนึ่งทีเดียวในการตั้งชื่อหลุมนี้ไว้อย่างถูกต้องเป็นจริงทางหลักวิชาว่าหลุมอุกาบาัตไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเขาจะรู้ว่าหลุมนี้เกิดขึ้นเพราะสะเก็ดดาวตกลงมากระแทกด้วยแรงจนกลายเป็นบ่อกว้างใหญ่กลางพื้นที่ราบสูงเช่นนี้และนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ของความมหัศจรรย์ที่เรามาพบห็นด้วยตาขณะนั้นเองพวกพรานพื้นเมืองก็พากันแบกหามสัมภระตามขึ้นมาถึงพอเห็นข้าวก็ปลดหาบลงจากบา่าจากบ่าในทันทีชี้มือบอกกันเสียงเอ็ดอึงไปหมดด้วยความตื่นเต้นต่อภาพของหลุมกาบาทที่เห็นบุญคํานั้นถลันปลาดก็ไปหาพรานใหญ่ทันทีอย่างร้อนรนลักษณะของแกอ้าปากเหมือนจะถามอะไรออกมา แต่ระพินใช้สายตาปรามามไว้แกจึงชะ ง, งักอยู่เพียงแค่นั้นได้แต่จ้องเขาขำเองพร้อมกับหันไปมองทางหลุมใหญ่เบื้องล่างระพินหลุมนั่นมันห่างจากเราลงไปไม่ไกลนะักเกือบจะพูดได้เลยว่ามันอยู่ใต้จมูกเราแค่นี้แล้วผมเองก็มัวแต่ตื่นเต้นสนใจกับมันซะจนลืมทัศนิษฐชั่วขณะว่าแท้จริงแล้วเราควรจะค้นหาอะไรก่อนเป็นจุดแรก ชายันหันมาพูดโดยเร็วกับพรานใหญ่ดารินก็เพิ่งจะสำเนียกขึ้นมาได้ถามเร็วปรือจริงด้วยสิพี่ใหญ่กับแง่ทรายทำไมเราถึงไม่เห็นวี่แววของเขาเลยเราหวังไว้ว่าเขาจะต้องมารอเราก่อนแล้วไม่ใช่เหรอระพินไทรวันนั้นใจ่อเหลือนิดเดียวอยู่ก่อนแล้วในขณะที่จ่องกล้องสำรวจก่อนที่คณะนายจ้างจะตามขึ้นมาถึงและบัดนี้ เมื่อเผชิญกับคำถามกึ่งขอความเห็นนั้นกำลังใจของเขาก็แทบจะสลายไปหมดสิน้น 99% ที่เขาหวันระแวงไว้ตามข้อคิดของบุญคำบัดนี้มันเพิ่มขึ้นเป็น 99.99 แ 99. ง่สายทอรยิยศบุญคำกรอกตาขยับริมฝีปากหมุบหมิบอยู่ไปมารอดูอยู่เหมือนกันว่าเจ้านายของแก จะบอกแกคณะนายจ้างยังไงส่วนคนอื่นๆยังไม่อาจไว้ทันความนึกคิดภายในของเขาและบุญคำได้ในขณะนี้ระหว่างที่พรานใหญ่ยังนั่งวางหน้าเฉยอยู่โดยยังไม่ส่ออะไรพิรุธทั้งสามคนหันไปปรึกษาหารือกันเองเบาๆดารินชักปืนสั้นจากซองข้างเอวขึ้นมาขยับจะยิงขึ้นฟ้าเพื่อเป็นสัญญาณเรียกโดยเข้าใจว่าทั้งแง่สายและเชิดาอาจนั่งพักกลบ อยู่ยังซุมไม้หรือโขอดหินลับตาส่วนใดส่วนหนึ่งบริเวณปากหลุมนั้นโดยที่ยังไม่ทันจะมองเห็นการมาของคณะทุกคนเมื่อนั้นเองเขาจึงเห็นว่าไม่ควรจะสิ้นเปลืองกระสุนเฉยๆโดยใช่ที่คว้าข้อมือไว้ก่อนที่หล่อนจะทันเหนียวไก่ไม่ต้องหรอกครับคุณหญิงความจริงมันก็ห่างไม่เกิน800อเมตรลงไปนี่เองเราเดินลงไปให้ถึงบริเวณปากหลุมนั่นกันเถอะครับ พี่ใหญ่กระแงทายอยู่ไหนก็คุณบอกว่าเขาจะต้องมาเรารอเราอยู่ที่นี่ยังไงละ่ะระพินหลอนร้องออกมาด้วยความโงนชง่งายเราอาจจะมาถึงที่หมายก่อนก็ได้นะนั่นเป็นคำตอบที่เรียบปะกติที่สุดตรงข้ามกับหัวใจที่แห้งเหือดหมดหวังยามนี้ไอ้ยังไงกันเราจะมาถึงก่อนสองคนนั่นได้ยังไง ก็ในเมื่อคุณก็บอกอยู่แล้วว่าเขาล่วงหน้ามาก่อนเราตั้งสองโย่วโองไงมีอยู่หลายกรณีครับที่เราจะมาถึงที่นี่ได้ก่อนทั้งๆ ท, ที่ออกตามมาทีหลังเพราะเราตัดเป็นเส้นตรงไม่มีการอ้อมเลยแง่สายอาจจะหาทางเดินอ้อมเนินต่างๆทําทให้เสียเวลาไปก็ได้แลกอย่างหนึง่งคุณชายกับแง่สายก็อาจหยุดพักระหว่างทางเขาตอบตัดบทเพียงแค่นั้น ก็ผลลุกขึ้นยืนโดยเร็วให้สัญญาณทุกคนเคลื่อนลงจากยอดเนินตรงเข้าหาหลุมกาบาทที่หมายในลายแทยงนั้นโดยไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายนายจ้างหรือตาเท่าบุญคำได้ซักถามอะไรอีกชั่วไม่ถึงสิบนาทีต่างก็บรรลุถึงบริเวณซุ้มไมต้ตีในระหว่างก้อนหินใกล้ริมปากหลุมอันกว้างใหญ่ราวกหุบเหวมาหายักนั้นระพินสั่งปลดผาพักลงทันทีเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้น บอกด้วยอาการปกติธรรมดาแกคณะในจ้างของเขาว่าเราถึงที่หมายที่เราต้องการแล้วละครับผิดหวังนิดหน่อยเพียงคุณชายกับแง่ทรายยังมาไม่ถึงแต่เดี๋ยวก็คงได้พบกันที่นี่ขออย่าได้กังวลไปเลยครับตอนนี้ผมอยากจะให้พวกเราพักผ่อนกันให้สบายสะก่อนใครอยากจะนอนหลับให้สมกับที่ได้กราบกรรมมาทั้งคืนกับอีกครึ่งวันก็เชิญได้เลยครับเราจะไม่เคลื่อนย้ายไปไหนอีกแล้วจนกว่าจะพรุ่งนี้ จบเขาก็ถอยห่างออกมาจากกลุ่มที่ลงนั่งนอนกันอย่างหมดเรี่ยวแรงนั้นแล้พยักหน้าเรียกบุญคำเข้ามาใกล้ดารินเห็นท่าพิกลอยู่ก็ชิงถามมาว่าอ้าวอาวแล้วนั่นคุณทำท่าจะไปไหนล่ะผมกับบุญคำจะออกสำรวจรอบๆ บ, บ, บริเวณปากหลุมนี่พลางๆก่อนครับปรเดี๋ยวจะกลับมาเผื่อบางทีอาจจะพบสองคนนั่นกำลังมุ่งตรงเข้ามาที่นี่ทางทิศใดทิศหนึ่งของบริเวณหลุม ก, กาบาทนี่ก็ได้ จะได้ดักรับตัวมาพามาสมทบกับเราที่นี่เลยครับเขาอำพรางได้สนิทที่สุดจนไม่มีใครสงสัยต่อไปและสั่งความกับพวกพรานบื้นเมืองอีกสองสามคากำชับให้รวมกลุ่มกันอยู่โดยไม่ใครแยกเดินไปไหนทั้งสิ้นจากนั้นก็สะกิดไหลบุญคำออกเดินบายหน้าเลาะลักไปในระหว่างก้อนหินและซุ้มไมเ้เล็กๆที่งอกขึ้นอยู่เป็นย่อมๆเหล่านั้น พอรับตาของคนอื่นๆบุญคําซึ่งกระวนกระวายแทบจะระเบิดก็ฉุดชายเสื้อเข้าไว้ไม่เสียงของแกเตรียมข้าวหน้าเป็นทุกข์หนักชิบหายแล้วไม่ละเป็นอย่างที่บุญคําว่าจริงๆนั่นแหละไอ้เงซ้ายหักหลังเราเข้าแล้วนายเก็บปวดมากไม่น่าเชื่อเลยมันไม่น่าจะเป็นไปได้เขาครางในเสียงคำราม บุญคำไม่เข้าใจเลยนะว่านายมีแผนยังไงถึงได้พยายามปิดพวกเจ้านายทั้งหลายไม่ยอมบอกให้เขารู้ฉันยังไม่ต้องการให้เขาเสียขวัญในตอนนี้ทุกคนอิดโรยอ่อนเพลียมากประเดี๋ก็คงหลับกันทั้งหมดั่นแหละปล่อยเขพักกันให้เต็มที่ซะก่อนเอาไว้ตื่นขึ้นมาค่อยบอกบุญคำถอนใจฮือใสยหน้าอยู่ไปมาอย่างอัดอั้นปันใจนึนหาจะคิดยังไงต่อไป ตอนนี้มีนายกบุญคำสองคนเท่านั้นที่รู้ว่าไอ้แง่ทายามายันทรยศจอมพรานหยุดชะงักหันมาจ้องตาสมุนเท่าคู่ใจอึ้งไปครู่แล้วนี่นายจะคิดยังไงต่อไปตอนนี้มีนายกบุญคำสองคนเท่านั้นนะที่รู้ว่าไอ้แง่ายมันทรยศน่ะจอมพรานหยุดชะงักหันมาจ้องตาสมุนเท่าคู่ใจอึ้งไปครู่ฉันยังคิดอะไรไม่ออกทั้งนั้นแหละบุญคำ แต่ก่อนอื่นเรามาช่วยกันออกตรวจรอยดีกว่าเราต้องการรู้ว่าเงาทรายนะมันพานายใหญ่มาถึงที่นี่ทางด้านไหนเมื่อไรและบ่ายหน้าออกจากที่นี่ไปทางไหนหลังจากนั้นค่อยปรึกษากันใหม่ถึงยังไงมันก็คงเอานายใหญ่ไปได้ไม่ไกลหรอกมันก็คนเหมือนอย่างเราเหมือนกันเราหมดแรงได้มันก็หมดแรงได้อีกอย่างหนึง่งเราได้เปรียบกว่ามันซะด้วยซ้าเพราะเรามีสเสบียงพร้อมมันไม่มี สำนายใหญ่ยังเป็นอุปสรรคถ่วงอยู่ทั้งคนป่านนี้นายใหญ่อาจรู้ตัวแล้วก็ได้ว่าถูกมันทรยศบุญคำมองหน้าเขาแหววประวันพรั่นใจปรากฏชัดในดวงตาทั้งคู่แผวเสียงลงเป็นกระซิบนายพูดถึงนายใหญ่ป่านนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างแล้วนะลูกไก่อยู่ในกำมือของมันทีเดียวดีไม่ดีนายใหญ่ขัดขืนมัน มันอาจจะในายใหญ่เป็นคนฉลาดและมีฝีมือคนหนึ่งนะไอ้แง้ซายคงเคี้ยวเล่นไม่ได้ง่ายๆนักรับรบพินเองก็ประวันเช่นกันแต่พูดเพื่อปลอบใจตนเองกับบุญคำไปเช่นนั้นเองแล้วสั่งมาโดยเร็วว่าเราแยกทางกันเดี๋ยวนี้แหละบุญคำไปทางด้านซ้ายของหลุมุกาบาทนี่ส่วนฉันจะไปทางด้านขวาเชื่อว่าคงจะได้ร่องรอยมันอย่างแน่นอน เพราะถึงยังไงมันก็ต้องตรงเข้ามาตั้งหลักที่นี่ก่อนเราจะเดินลาะไปตามปากขอบหลุมวงกลมนี่แล้วจะวกมาบรรจบกันเองบุญคำรับคำอย่างง่ายๆแล้วผละแยกไปตามคำสั่งของเขาทันทีกระพินไพรวันสูดลมหายใจลึกเรียกพละงกำลังและสะติสัมปชัญญะตลอดจนพลังสมองให้กลับคืนมาอีกครั้ง ร้อยหมื่นปัญหาที่เขาเผชิญมาแล้วในการเดินทางมหาวิบากครั้งนี้ไม่มีปัญหาใดจนหนักเกินไปกว่าปัญหาที่กำลังพบกับมันอยู่ในขณะนี้อีกแล้วแผนการเดินทางทั้งหมดกำลังจับังพินานทั้งทั้งที่ใกล้จุดหมายปลายทางเข้ามาเต็มทีแล้วอันเนื่องมาจากไอ้คนที่เขารักมันอย่างที่สุดทอรอยจด และอะไรก็ไม่ร้ายเท่ากับชีวิตของท่านสุภาพบุรุษในราชสกุลผู้เป็นนายจ้างโดยตรงซึ่งบัตรนี้ตกอยู่ในเงื้อมภัยอันใหญ่ยิ่งที่สุดอันตรายซะยิ่งกว่าคาอยู่ในปากเสือนี่เขาจะทำอย่างไรนี่คือสิ่งที่ถามตัวเองแล้วยังคิดไม่ออกมากว่ะเงาทายไอ้คนลึกลับ ผู้สำแดงท่าแท้แห่งความทรยศผู้นั้นยื่นเสนอเงื่อนไขต่อเขาคืนตัวเชษฐาให้แลกเปลี่ยนกับลายแทงแผนที่เดินทางและสั่งให้ทุกคนเลิกลมการเดินทางเพียงแค่นี้โดยถอยหลังตัดซะอย่าได้ติดตามมันต่อไปอีกรพินไพรวันจะทำอย่างไรก็หินจะต้องยอมจำนนใช่แล้วแต่หากไม่มีทางเลือกหรือโอกาสที่ดีกว่า น, น ชีวิตของมอมราชวงศ์เชษฐาวราริทย่อมจะสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นในขณะเดียวกันถ้ายินยอมเช่นนั้นคนอย่างพรานใหญ่ระพินไพรวันกลับไปถึงหนองน้ำแห้งเมื่อไรก็ควรจะกระโดดหน้าผาตายไปเสรู้แลวรู้รอดเห็นจะอยู่ทนดูหน้าใครต่อไปอีกไม่ได้แน่นอนอดีตนายร้อยตำรวจเอกระเวนชายแดน กรามแน่นตันตื้อไปหมดทั้งสมองมนโนภาพในอดีตต่างๆผุดขึ้นในห่วงคิดเป็นเหตุการ์ร่วมเป็นร่วมตายร่วมชีวิตกันฝันฝ่าสรรพอันตรายสารพัดชนิดฝากชีวิตไว้ให้แก่กันระหว่างเขากับไอ้คนคนนั้นคิดแล้วยิ่งขมขื่นเก็บแค้นตำในตัวเองว่าเขาใจอ่อนเกินไป ทั้งๆที่ระแวงแคลงใจในพฤติกรรมของแง่ทรายมานานแล้วแต่ก็ยังอดที่จะรักและเผลอไว้วางใจมันไม่ได้ทั้งหลายแหล่ที่แง่ทรายเคยกู้ชีวิตเข้ามาแล้วความจริงก็คือมันต้องการจะเก็บเขาไว้เป็นเครื่องมือในแผนเดินทางของมันจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายนั่นเองไอ้คนคนนี้มันเลือดเย็นและเฮี้ยมโหที่สุด มีแผนการที่วางไว้อย่างรับ ก, กุมยาวนานและแน่วแน่ที่สุดในโลกนี้คงจะไม่มีใครอรําพรงท่าแท้ของตัวเองได้สนิทแนบเนียนเกินมันไปได้อีกแล้วกระพินไพรวันเปิดลูกเลื่อนไรเฟิลในมืออย่างแช่มช้าขยับแง้มดูกระสุนที่บรรจุอยู่ในรางเพลิงเพื่อแน่ใจที่สุดแล้วตบก้านลูกเลื่อนลงตามเดิม ต่อไปนี้ไม่ใช่เสือสางหรือสัมสัตว์อันตรายที่ไหนอีกแล้วที่เขาจะล่าหากแต่เป็นเจ้าสัตว์รูปงามหน้าสวยราวกับผู้หญิงตัวนั้นแง่ า, ายจอมพรานสะกดอารมณ์ลงอย่างราบครับเริ่มเคลื่อนที่สำรวจตรวจค้นไปตามพื้นดินซุ้มไม้และก้อนหินอันขึ้นอยู่สลับซับซ้อนเหล่านั้นด้วยความระมัดระวัง และรอบครอบที่สุดยิ่งกว่าครั้งใดไทรันโนซอรัสที่เคยพะ จ, จนกันมาแล้วนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์เดราชาหแต่สัตว์มีสมองอย่างแงาไซยิ่งใหญ่กว่านั้นหลายร้อยเท่าเพราะมันมีคุณสมบัติทุกอย่างเช่นเดียวกับเขาไม่ว่าไหวพริบสติปัญญาฉันเชิงเล่เหลี่ยมมีปืนเช่นเดียวกับเขา ซ้ํำยังยิงแม่นเป็นจับวางเท่ากันซะด้วยชั่วไม่นานของการเดินตรวจรอยอย่างถี่ถ้วนระแวดระวังม่านตาของเขาก็ขยายกว้างพร้อมกับหัวใจที่เต้นแรงเมื่อกวาดไปพบรอยอะไรชนิดหนึ่งปรากฏอยู่ในระหว่างเส้นทางด่านแคบๆที่ทอดคดเคี้ยวอยู่ในระหว่างพุ่มพงสลับไปกับโขดหินรอยเท้า จะมีของใครอื่นถ้าไม่ใช่แงซายที่เพียงแต่ชำเลืองเขาก็บอกได้เป็นรอยที่ใหม่หรือเกิดใหม่ใช่จนท้าไม่เกิดจากอุปท า, านก็น่าจะกล่าวได้ว่ามันมาประทับเอาไว้เมื่อยกยกก่อนหน้าที่เขาจะเข้ามาถึงเพียงไม่กิ่ดอึดใจนี่เองระพินจะดฝีเท้ากริบเข้าไปได้วยดวงตาอันเบิกโพรงแล้วก็ยิ่งใจหายวูบ เพราะเห็นว่ามันเป็นรอยเท้าของแง่สายเพียงคู่เดียวโดดโดดเท่านั้นไม่มีของเชษถาปะปนหรือปรากฏอยู่ใกล้เคียงด้วยเลยท่านหัวหน้าคณะของเขาไปอยู่ที่ไหนจะแล้วขณะที่เจ้าคนทรยศเดินผ่านมาทางนี้ปามลำพังผานใหญ่กัดริมฝีปากแทบจะห่อเลือดเตืดอจะระ ง, งับความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่กดดันแทบระเบิดอยู่ภายในไม่ได้อีกต่อไป สาวรอยของแง่ทรายไปอย่างเช่มชาชนิดก้าวต่อก้าวด้วยวิญญาณของจอมพรานและวิญญาณของอดีตหัวหน้าหน่วยล่าสังหารสมัยที่เคยโรมรันกับกองโจกรกะเรีย่ยงแสงชาติยานและความจัดเจนต่อร่องรอยเตือนให้ทราบในทันทีว่าแง่ทรายไม่ได้อยู่ไกลาจากรอยเท้าที่เขาค้นพบนี่เลยมันจะต้องบ้วนเปียน แอบซุ่มตัวอยู่ในละแวกใกล้เคียงนี้อย่างแน่นอนสิ่งที่จะตัดสินก็คือระหว่างเขากับมันใครจะได้กลิ่นใครกันก่อนเท่านั้นแต่สมิงร้ายอย่างเงาทรายมีหระอที่จะไม่ระแคะระคายต่อการตามแกะรอยเข้ามาของเขาสังหรณ์วูบที่ส่งสัญญาณขึ้นสมองเช่นนั้นเอง กระพินไพร์วันเพงจากกลางที่โล่งของทางดานเข้าหาก้อนหินใหญ่อย่างกระทันหันกระชับไรเฟิลพร้อมที่จะระเบิดกระสุนออกไปได้ในทันทีตาลุกวาวกราดยังรวดเร็วไปรอบๆเท่าที่รับสมีจะแลรอดไปได้บัดนั่นเองกูก็แววเสียงหัวเราะแผ่นุ่มกังวานมาจากที่ใดที่หนึ่งเบาๆมันดังอยู่ไม่ห่างออกไปนัก เงี้ยใช่รพินคำรามลอดไรฟันออกมาครับผมเองครับผู้กองผู้กองของผมรวดเร็วและฉับไฟเสมอนะครับเสียงกังวานลึกกลัวไปกับอาการหัวเราะนั้นดังมาโดยไม่เห็นตัวอีกคนทรยศออกมาถ้าแกนแน่จริงวันนี้เป็นวันที่จะตัดสินกันแล้วว่าแกหรือฉัน ผมตัดสินให้ก็ได้ครับว่าเป็นผู้กองเสียมากกว่าเพราะตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้กองเหยียบย่างเข้ามาที่นี่เข้าทางปืนของผมมาโดยตลอดแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ขณะที่ผู้กองแอบกำบังอยู่ที่แง่หินนั่นอย่านึกนะครับว่าจะพ้นทางปืนของผมเพราะฉะนั้นวางปืนซะก่อนดีไหมครับ รพินไทยวันถมปากเบิกตาจ้องเขม็งนิ้วแตะอยู่ที่ไกลเตรียมพร้อมไอ้หมาจริงจอกแกรู้จักฉันดีแล้วนี่ไม่น่าจะออกอุบายโง่โ ง, ง่งกับฉันแบบนี้เลยถ้าแกเห็นฉันจริงยิงได้เลยอ้าวก็ทำไมจะต้องยิงด้วยล่ะครับผู้กองแกก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าฉันกำลังจะค่าแก เสียงหัวเราะทุมกลงวานดังมาอีกครั้งเหมือนยัว่วผู้กองครับขอเตือนอีกครั้งนะครับผู้กองนะั้นอยู่ในทางปืนของผมนะครับในขณะที่ผู้กองมองไม่เห็นตัวผมเลยไม่มีประโยชน์อะไรเงีาาย้ยที่ก็จะเหาขู่ฉันอยู่ในที่กำบังอย่างนั้นโผล่มาดีกว่ามาแลกกันคนละนับก็ได้ แลกกันไม่ได้หรอกครับผู้กองที่รักเพราะถ้าผมยิงเอาก่อนผู้กองก็จะไม่มีโอกาสอีกแล้วผมบอกให้ผู้กองวางปืนซะผู้กองก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นผมเป็นฝ่ายวางให้ผู้กองดีกว่ากะมะ็มังออานี่ครับปืนผมขาดคำไรเฟิลสามสิบทับศูนย์หกกระบอกหนึ่ง ก็ลอยข้ามก้อนหินอันสลับซับซ้อนในทิศทางด้านซ้ายมือของเขามัาตกอยู่ตรงที่พื้นดินเบื้อนหน้าห่างประมาณสามว่ากระพินจ้องที่ปืนกระบอกนั้นแล้วต ว, วัดตาอย่างรวดเร็วไปยังตำแหน่งที่ลอยมาของปืนรู้สึกตัวได้ทันทีว่าตำแหน่งที่เขาหลบซุ่มอยู่ไม่ได้เป็นตำแหน่งที่อับกระสุนจากฝ่ายตรงข้ามเลยถ้าหากฝ่ายนั้นจะยิง กลิ้งตัวอย่างรวดเร็วหลบไปยังหินอีกก้อนหนึ่งถัดไปพร้อมกับจ้องปืนไปทางนั้นเสียงแง่ทายที่มองไม่เห็นตัวดังบนหัวเราะเบาๆมาอีกผู้กองครับก็ยังไม่พ้นอยู่ดีล่ะครับไม่ว่าผู้กองจะพลิกไปหลบอยู่ด้านไหนผมมองเห็นชัดๆอยู่นี่ไอพีนี่แกจะมาไม่ไหนกับฉัน เสียงของเขาเกือบจะเป็นตะโกนร่ำร่ำจะลั่นกระสุนสุ่มเข้าไปยังตำแหน่งที่มาของเสียงอยู่รอมรองแต่คนอย่างระพินจะไม่ยิงอะไรที่มองไม่เห็นตัวเป็นอันขาดผู้กองครับผมโยนปืนให้ผู้กองแล้วนะครับไม่สำแดงกับแงาทายที่กจะล่อนฉันแบบนี้ยังมีไรเฟิลและปืนสั้นของนายใหญ่อยู่ที่แกอีกสองกระบอก ห้ฉันออกไปเก็บปืนที่แกแกล้งโยนมาให้เมื่อไรแกก็ยิงฉันเมื่อ น, นั้นเอาละนะระวังตัวให้ดีฉันจะบุกเขาหาแกแหละจะทะลกหนังหัวของไอ้คนชื่อแอนทรายให้ได้ถ้าทำไม่ได้จะไม่มีคนชื่อระพินทร์ไพรวันอยู่ในโลกนี้อีกต่อไป